จากการที่สอบอารมณ์ด้วยการถามปัญหาเมื่อวานย็นนี่ซึ่งเราแต่และคนมีเวลาจํากัดในกรูปลัดบางปัญหานั้นก็แต่และปัญหาและคำถามเกิดมาจากการที่เราสงสัยน ะ, ะบา ง, งบางเรื่องที่เราสงสัยก็สอดคล้องตาม สภาวะมีปฏิบัติบางเรื่องที่เราสงสัยก็ไม่ไม่สอดคล้องกับสภาวะปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่ความสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะธรรมจะมีน้อยเพราะว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ สัมผัสภาพว่าปัจจุบันแล้วว่าได้อารมณ์เนี่ย <c oughs> ก็ไม่ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นก็ดูที่คําถามแต่คําถามที่เป็นปัจจุบันก็หมายถึงว่าตัวเราเองก็กําลังอยู่ในอารมณ์นั้นเพราะคำถามแต่ถ้าคําถามที่เป็นไม่ใช่ปัจจุบันก็ตัวเราก็อยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนกันเพราะตัวคําถามตัวรายงานอารมณ์เป็นตัวบอกถึงสภาวะปัจจุบันด้วยนะเพราะนั้นเรียกว่าเรา เจริญวิปัสสนาเนี่ยเห็นความสาคัญของปัจจุบันให้ให้ชัดไว้ก่อนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเพราะตัวปัจจุบันมันเป็นตัวตื่นตัวอดีตอนาคตมันเป็นตัวหลักนะความคิดจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสัญญาเปรียบเทียบระหว่างอาดีตอนาคตนะแต่ตัวปัจจุบันมันไม่ได้ใช้สัญญา เป็นหลักแต่ใช้สติสมัยยะใช้านถ้าใช้ความคิดเมื่อไหร่ไม่ว่ากุศลหรืออกุศลก็จะไปใช้เริ่มใช้สัญญาเปรียบเทียบอดีตอนาคตอันั้นก็ <c oughs> <c oughs> ให้เราอย่าลังเลในัวปัจจุบันขณะซึ่งเกจิอาจารย์ที่ท่านเข้าถึงทำที่ฟังมาท่านไหนท่านไหนก็ตรงกันหมดเพราะว่าต้นแบบที่พระพุทธเจ้าท่าน เข้าถึงบรรลุธรรมเนี่ยมันเป็นต้นแบบเพราะนั้นผู้ปฏิบัติตามหรือสาวกทั้งหลายก็จะต้องเอาต้นแบบเป็นหลักถ้าหากว่าผิดไปจากต้นแบบันนั้นก็ไม่ใช่นะแล้วก็ในเทลีคาถาเทระคาถาเนี่ยพะภิกษุณีภิกษุภิกษุณีที่กล่าวธรรมกถาถ้ากล่าวออกมาเป็น สภาวะปัจจุบันพุทธเจ้าก็รับรองเป็นพุทธพจน์หมดหมายความเหมือนเป็นคำกล่าวของท่านเองไม่ใช่คนอื่นกล่าวก็ตามเพราะมันเหมือนกันนะตรงกันที่หลงพอเทียนบอกว่าธรรมะแท้คือสิ่งเดียวกันลักษณะเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อ <c oughs> <c oughs> ท่านยืนยันว่าสภาวะปัจจุบันเป็นสภาวะที่เป็น อมตะธรรมเป็นอสังคตธรรมเราก็ต้องพยายามที่จะให้จิตเนี่ยสัมผัสปัจจุบันแต่คําว่าปัจจุบันมันมีสองลักษณะหนึ่งปัจจุบันของอวิชชาและปัจจุบันของวิชาปัจจุบันของวิชาคือปัจจุบันของสติสมัจฉ ญ, ญาแล้วก็ปัจจุบันของอวิชชาคือปัจจุบันของความคิด ที่เป็นสัญญาอาจจะไม่ใช่สติสัญญยเ 100%, เซแต่เป็นสติสัญญาแบบสัญชัตยานไม่ใช่สติสัญญาของปัญญายานดันั้นความรู้สึกตัวที่เราสามารถสัมผัสได้นับปัจจุบันเราก็สื่อมาจากตัวเวทนากนเพราะเวทนาทั้งสก็เนื่องมาจากกฎของใจรักนี่ รากของปัจจุบันเกมาจากกุดของใจหลักเมื่อกุดของแตล่ละทํางานก็เกิดเวทนาทั้ง3ารู้สึกสบายไม่สบายรู้สึกเฉยๆเป็นกลางคําว่าสบายคือทุนได้ง่ายไม่สบายคือทุนได้ยากคำว่าเป็นกลางหมายความว่าพอทุนได้ทีนี้ภาวะที่เป็นกลางตัวนั้นอนะ่ะมันจะเป็นทั้ง เป็นทั้งอุเปขาเวทนาก็ได้เป็นทั้งอุเปขาสัมพุทชงก็ได้ถ้าเราเข้าไปรู้ไปเห็นความรู้สึกสบายไม่สบายชัดๆดู <c oughs> เปขาเวทนาก็กลายเป็นอุเปขาสัมพุชงแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันมีอยู่ความสบายมีอยู่ความไม่สบายก็มีอยู่แต่เราไม่เข้าไปเห็นสภาวะนี้ชัดเราไปเพลิน กับมันเพราะนั้นตัวเป็นกลางตัวนั้นก็จะเป็นอุเบกขาเวทนาหรือเป็นโมหะที่จะเป็นโมหะพัฒนาเป็นโมหะเป็นทิฐิต่อไปแต่ถ้าความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันที่มีต้นกําเนิดมาจากฝ่ายรูปต้นกำเนิดมาจากตรรัตต์ในส่วนฝ่ายนามเองก็มีต้นกําเนิดมาจากความ สัญชตาตญาณหสิสัญชัตญาณก่อนนะสัมชัชฌ์ทั้งหลายมีมีเท่าเทียมกันหมดความรู้เนอรู้ตัวเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสัญชตาตญาหรือปัญญาญาณแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสัญชตาตญาณร้อยเ์เซ็มันก็ปนกันอยู่แต่เราถือว่าเป็นตัวปัญญาญาณก็แต่เมื่อมันมีเกิน50อร์ซ็ขึ้นไปแต่ถ้าหากมันอยู่ต่ำกว่า50เอร์ซมันก็ยังผสมกันอยู่ระหว่าง สัญชัติยานกับปัญญายานผสมกันอยู่ระหว่างรู้กับไม่รู้นะมันคือลักษณะประสมผสานกันไปอย่างเนี้ย <c oughs> จนกว่าเราจะให้กําลังอกับตัวไหนมากกว่าจะให้กําลังของสติสัญยะที่ถูกต้องชัดเจนมากกว่าตัววิชาตัววิชาก็เริ่มเด่นขึ้นตัววิชาก็เริ่มลดเปอร์เซนต์ลงไป มันไฟปัจจุบันนี่ที่เราใช้สวิตต์ปิดเปิดแบบหมนุนอ่ะถ้าหมุนลงมันก็ลีถ้าหมุนขึ้นมันก็สว่างซึ่งส่วนใหญ่เราก็ใช้สวิตต์เปิดปิดร0 0เปซปิดก็ดับเปิดก็สว่างทันทีรเกิดดับร0 0ซแต่ปัจจุบันเขาก็มาเปลี่ยนเป็นเกิดดับ ผสมผสานกันขึ้นอยู่กับแรงหมุนห้าซไฟสว่างนี่หมุนสอซไฟสว่างเท่านี้หมุนเจ็สิเอนฟังาหมุน 100% ไฟสว่างเท่านี้นั้นในสถานะความเป็นจริงมันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือมันจะต้องเติบโตตามลำดับนะนั้นเองในตัวตามรู้ก็เหมือนกัน บางทีเราก็เผลอถ้าเผลอมากเปอร์เซนต์รู้ก็น้อยถ้าเผลอน้อยเปอร์เซนต์รู้ก็สูงถ้าไม่เผลอเลยเปอร์เซนต์รู้ก็เป็นร้อยเซ์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการเอื้อต่อความอินรีย์ของคนบางคนอินทียยังอ่อนอยู่ก็เผลอมากอยู่บางคนอินรียเริ่มเข้มแข็งก็เผลอน้อยเปอร์เซนต์รู้สูงเนี่ยอันนี้เราเราต้องทํานึงถึงรูปธรรมด้วย แต่หากว่าเราไม่เอารูปธรรมมาเทียบให้เห็นเนี่ยนามธรรมมันก็ไม่สามารถจะสื่อได้เพราะเป็นปรมัตนะและนามธรรมที่เอามาสื่อได้มันก็ในอาถรรพที่เป็นอุปมาจากรูปธรรมเราเรารูปธรรมนามธรรมเมื่อรู้จักรูปธรรมก็สามารถจะสื่อไปรู้นามธรรมได้เพราะรูปธรรมนามธรรมมันก็เป็นตัวเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดกันแล่กันถ้าจะรู้สิ่งหนึ่ง เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพอมีรูปพอมีนามธรรมรูปธรรมจึงมีพะมีรูปธรรมนามธรรมจึงมีมันก็สือเข้าไปสู่หลักของปัจจยาการนะนั้นเวลาการพิจารณาถึงปัจจุบันขณะนีเราก็ถ้าเราลืมหลงประเด็นไปว่าปัจจุบันขณะคืออะไรก็ไปตั้งต้นใหม่ที่ไตรลักษณ์ความรู้สึกสบายไม่สบาย แล้วก็ลำดับขึ้นไปใหม่ทุกครั้งเริ่มตุลของนั้นความรู้สึกสบายความรู้สึกสบายไปไงเบาความรู้สึกไม่สบายไปไงหนักเวลานั่งก็มันหมายความว่าไม่มีความรู้สึกสบายแล้วก็มีอยู่แต่ความรู้สึกไม่สบายก็มีอยู่ซ้อนกันอยู่ที่เราจะให้ความสําคัญในจุดไหนนะถ้าหากความรู้สึกไม่สบายมันเข้มกว่าเราก็เริ่ม เอาใจใส่มากขึ้นเพื่อที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นตัวหนักกลายเป็นตัวเบาขึ้นนะเมื่อเปลี่ยนแล้วมันเบาขึ้นไปเราก็ต้องระวังที่จิตไม่ให้ไปเสพเพื่อรู้ว่าภาวะเบานี้มันไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเรามันเป็นภาวะตรงกันข้ามกับหนักเท่านั้นเอง อันนี้ก็เราพอ เ, าเราเข้าไปพิจารณากฎของใจรักอย่างนี้มันก็กลายขึ้นมาเป็นสติสัมภิยะนะแต่ถ้าหากว่าตัวเวทนาเราเข้าไปเสพเสวยหรือไปปฏิเสธปั๊บมันก็จะกลายเป็นตัวอคุสนมูลคือความพอใจก็เป็นเวทนาทางจิตเป็นโสมนัสโทมนัส <c oughs> เป็นอุเบกขา แต่กฏของตจลักเนี่ยความอนิจจังทุกขังหน้าตามันก็จะทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นทีนี้ในฐานะเป็นผู้ฝึกฝนอบรมาการปฏิบัติเราก็จะเข้าไปรับรู้อาการตจลักออกมาสองรูปแบบอย่างที่กล่าวคือเป็นรู้สึกสบายนะไม่สบายปรากฏตลอดเวลา แต่สบายๆก็มาจากอาการต่างๆเป็นหนักเป็นเบาเป็นร้อนเป็นยินเป็นหยุดอัดหรือปลงไปเรื่อยๆแล้วแต่อาการจะปรากฏตรงไหนแล้วก็สมมุติให้เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ต้นตอคือไปจากตัวอันนี้จังทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ชัดต่อปัจจุบันอย่างนี้หรือไม่ชัดต่อสมมติ อย่างนี้เราก็จะสับสนเพียงชื่อมันพาไปเท่านั้นเองแต่แก่นแท้สาระของมันก็คือไปจากสบายไม่สบายไอ้ความสบายไม่สบายจะเป็นสารตั้งต้นของตัวรู้สึกต่างๆของร่างกายเป็นไปทุกจุดนี่ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เราก็จะรู้แบบไม่รู้แล้วก็เป็น <c oughs> ถ้ารู้แบบไม่รู้นื้นายเป็น ตัวอุเเกราเวทนานทีนี้เราพิจารณาเนื้ทุกทุนไปทุกทุนมาเวลาเราลุกเรานั่งเราล่างเราเดินเราจะเห็นอาการเหล่านี้ปรากฏชัดบางไม่ชัดบางสลับกันไปสลับกันไปในการที่เราเข้าไปตามรู้ตามดูตามเห็นเนี่ยมันใช่ันว่าอันวยายญาณคือการตามรู้นะ คุมชิงเขามีชื่อในปริยัตของเขาอยู่แต่ว่าเราจะยกมาแล้วมันมันไม่คุ้นแต่เราบอกาตามรู้เนี่ยเราเราก็นึกออกเป็นภาษาของเราตามรู้คืออาการหนักบางบางบางก็ตามรู้กันไปเรื่อยๆอาการที่มันเกิดสลับกันอยู่เนี่ยเป็อาการของอนิจจังทุขังอนัตตาทํางานเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเอาใจรักเป็นอารมณ์วิปัสสนาเอาใจรักเป็นอารมณ์ ถ้าเราเอาแต่ละของรูปเป็นอารมณ์ก็เป็นสมถะที่เอื้อต่อวิปัสนาซึ่งได้กล่าวมาวันก่อนแล้วเรามีอารมณ์วิปัสนาคือเอาสติสัมปชัญญะคือตัวรู้ตัวตามรู้เนี่ยเข้าเข้าไปรู้อาการของความสบายไม่สบายตามรู้ไปเรื่อยๆตรงนี้เ่าเราียกเป็นตัวรู้ตัวนี้ก็กลายมาเป็นอารมณ์ของ แต่ละของวิปัสนาตามรู้ความหนักความเบาของรู้เป็นอารมณ์ของสมถะที่เอื้อต่อวิปัสนาพอเรามีสติกำหนดรู้สร้างตัวรู้ขึ้นมาเพื่อจะไปรู้ความรู้สึกหนักเบาสบายไม่สบายนี้เรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นตัวไตรลักษณ์ที่แปลมาเป็นตัวรู้ก็ตัวรู้ก็กลายเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเพราะฉะนั้นอารมณ์ของวิปัสนาคือตัว สภาวะรู้คือตัวปรามัดก็ได้ตัวรู้ก็ได้เนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสนะแต่ถ้ามันเป็นรูปอยู่อันนี้จังทุกข์องหน้าตาที่เกิดจากรูปรู้สึกหนักเบาก็เป็นอารมณ์ของสมรรแล้าก็ตามรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพอเปอร์เซ็นต์ของการรู้สึบตัวรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยชัดขึ้นชัดขึ้นมีเปอร์เซนต์สูงขึ้นสูงขึ้ น, นตัวรู้แล้วก็แก่กล้ามากขึ้น ตัวนี้เองก็จะไปตามเห็นตัวเวทนาภายในละเอียดขึ้นเรื่อยๆร่อเวทนาที่สบายมันย่อยไปเป็นเวทนาทางภายในได้อย่างไรนะจะรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวอนี้แต่ถ้าทุกขเวทนาทางกายถ้ า, ามันย่อยละเอียดลึกลงไปก็รู้สึกไม่สบายจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างนะหนักเนื้อหนักตัวอึดอัด จีบตรงนั้นคันตรงนี้ยอกตรงนี้มันก็ย่อยแยกไปตามอวัยวะส่วนต่างๆอันนี้ก็ล้วนเป็นเวทนาแต่ถ้าเราดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแท่งเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาทางกายนะเวทนาทางกายพอมาละเอียดลงไปแล้วก็เรียกว่าเวทนาทางเวทนาพอละเอียดลงไปตรงที่เราตามรู้ทั้งเวทนาทางกายและเวทนาของเวทนาคือรายละเอียดของกายนั่นแหละเขาเรียกเวทนาของเวทนา ถ้ามันหนักอยู่ที่เดโุ่กเราก็รู้ชัดอยู่ที่เดรุกเวทนาทางกายแต่ความหนักของเดรุวพวกเนี่ยไปบล็อกเลือดบล็อกลมแล้วทาให้ตึงตรงนั้นให้เคร่งตงัวนี้ให้หนักตรงนั้นให้มุนตรงนี้ลักษณะที่ย่อยออกไปทั่วเนี่ยก็เรียกเป็นเวทนาของเวทนาแต่พอเร า, าขาดสติสัญญาเข้าไปตามรู้เวทนาความรู้สึกเหล่านี้ปั๊บมันก็กลายเป็นเวทนาทางจิต มันจะความเจ็บปวดหนักหน่วงตรงนี้มันก็จะปรากฏทางจิตเป็นความรู้สึกเบื่ออึดอัดเซิงขี้เกียจอะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกเป็นเวทนาทางจิตละเขาเรียกว่าเป็นนามรูปจุดนี้เป็นนามรูปนะเวทนาที่เป็นทางกายและในรายละเอียดของกายก็ยังเป็นเป็นรูปอยู่แต่พอมันมีอาการ มากขึ้นเราไม่ตามบำบัดไม่ตามแก้ไขเพลินในเวทนานี้มันก็จะกลายไปเป็นนามารูปไม่ว่าส่วนที่หน้าสบายหรือไม่สบายก็ตามนี่พอเราเข้าไปเป็นนามรูปลุสิทธิถึงจิตว่าความอึดอัดความเบื่อหน่ายความเซงความท้อความเบื่อความขี้เกียจความไม่ช่มชื่นไม่เบิกบานความง่วงเหงาฮ่อนอนนรูปแบบของ นำมาลูกก็ปรากฏชัดขึ้นเลยเรืเ่อยๆแล้วมันก็จะหนักทางจิตนะหนักทางจิตออกมาเป็นความว่วงบางความฟุ้งบางความเบื่อความเซ็งความขี้เกียจเนื่องจากว่าตัวตามรู้ของเราไม่มีกําลังตามไปไม่ถึงตามไปไม่ถึงจริงแก้ไม่ทันเพราะนั้นเราก็ปฏิบัติไปสักพักพอเราไปเพลินเวทนาทางกายไม่นานปั๊บความ รู้เนื้อรู้ตัวของเราไม่เข้มแข็งพอมันก็ลุกไปสู่จิตก็เป็นนามารูปกลายเป็นอาการง่วงกลายเป็นง่วงเงาเศรื่อซึมนั่งงองเ ง, ง, งแงกไปแลาวทีเนี้เพราะว่ากําลังของสติสัมยะไม่พอก็อาศัยกริยามิดคอยปลุกคอยเร่าให้ตื่นตัวคนไหนมีศรัทธามีปัญญาแก้ไขมันก็แก้ได้ไหวคนไหนไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาแก้ไขก็ยัง ง, งองเงแงกไปเหมือนเดิม ไปอย่างนั้นตลอดชั่วโมงเพราะนั้นตัวศรัทธาและปัญญาเป็นตัวสาคัญที่จะทาให้เห็นความก้าวหน้าหรือความถอยหลังของการปฏิบัติทีนี้เมื่อ <c oughs> เรามีสติสัมยะเปลี่ยนเป็นสมาธิและปัญญาตัวสมาธิปัญญาสติสัมยะที่มันตามรู้กายรู้เวทนาเนี่ยเราเรียกว่าสติสัมย แต่พอไปเริ่มไปดูอาการของเวทนาทางกายเวทนาทางเวทนาเวทนาทางจิตมันแปลงรูปละเอียดล <c oughs> ะเอียดลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆมันเป็นเวทนาของอารมณ์เนะวทนาของอารมณ์ก็ออกมาในรูปว่าอุสลาธรรมะอากุสลาธรรมาอัปยากตาธรรมะแล้วทีนี้แต่ถ้าเปนในเวทนาทางจิตมันออกมาในรูปของ ราคาโทสะโมหะแต่เวทนาทางเวทนามันออกในรูปของโสมนัสสเวทนาโทมนัสสาวทนาโอเปคาวิเทนาแต่เป็นเวทนาทางกายมันออกในรูปของสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนานั่นเองแล้วก็เวทนาทางกายก็เนื่องมาจากกฎของไตรลักษณ์คืออณิจังทุกขังนราตาเนี่ยมันจะทอดทอดทอดททดทดกันไป สามตัวแค่นั้นเนี่ยพอขยายละเอียดละเอียดลงไก็ชื่อต่างไปแต่ความจริก็ไอ้เจ้าสามตัวนี้จังรู้ ข, ขังหน้าตานี่พอไปเวทนาทางกายเรียกว่าสุขเวทนาะทุกเวทนาอทุกขมันสุขเวทนาพอไปเวทนานทางเวทนานทก็เรียกว่าเป็นโสมนัสเวทนาพอใจโทมนัสเวทนาไม่พอใจอทุกเปรคาเวทนาความไม่รู้ใจพอเป็นเวทนาของจิตก็ไปเรียกว่าราคะอุสะโมห เป็นเวลาของอารมณ์แล้วกุศลอกุศลแล้วก็ยากตัตธรรมย่อยลงไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชมันก็แยกไปจากสามตัวต้นนี่แหละคืออันนี้จังลูกขังหน้าตาแต่มันก็มีสมมุติเรียกชื่อของมันชื่อตรงนี้เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ยกมาอ้างเลยก็ไม่ได้ว่าทีิไปที่มามเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ยกมาเทียบให้เห็น แต่พอเป็นภาษาของเราเราก็เข้าใจได้หรือไม่ได้อยู่กับว่าเราได้สัมผัสสภาวะนั้นไหมถ้ายังไม่ได้สัมผัสสภาวะนั้นเราค็งงงงเงีงเ ง, งไปเฮ อ, อะไรบูสับสนนะพเพราะาภาวะยองรับมันยังไม่มีแต่เมื่อเรามีสภาวะรองรับปับ๊บพักคุณนี้ปับ๊บก็เห็นโล่งไปเลยเข้าใจแจ่มชัด นะเพราะฉะนั้นคนที่ยังรังเลสงสัยสับสนอยู่ก็ให้รู้ว่าสภาวะรองรับเรายังไม่มีเราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดเดาละเราเข้าใจสภาวะรองรับได้แค่ไหนก็แค่นั้นเรารู้เข้าใจระดับกอดใจลักในรูปก็พอไปพูดถึงกอดใจลักของเวทนาเราเริ่มสับสนก็แสดงว่าสภาวะรองรับของเรามันอยู่แค่รูปก็คือรู้สึกสบายไม่สบายล้วก็เฉยเฉยนะั่น บางคนมีสภาวะที่ละเอียดลึกลงไปพอพูดถึงว่าความรู้สึกอชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ไม่รู้ใจพอเข้าใจได้อชอบใจมันเป็นอาการอย่างนี้นะถ้าไม่ชอบใจอาการมันเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าชอบใจไม่ชอบใจมันเป็นอย่างไรไม่ได้ตามรู้มันเข้าไปเสพเสวยเขาเรียกเป็นเอกเปขาวเวทนาอานีซึ่ง ถ้าเรารู้ในส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมลักษณะนี้เราก็จะไม่สับสนละเวลาเราปฏิบัติเราก็จะแยบคลายทีท้วนสําหรับผู้ที่มีสภาวะก็จะแก้ไขได้เร็วขึ้นไม่ไม่ไม่หยากกายจนกลายเป็นนิวรณ์ต่างๆแต่ถ้าเรามีมีสภาวะรองรับเราก็จะหลงลืมเวทนาที่เกิดจากตรลักษางกายก็จะหยาบ กลาเป็นนิวรณ์ทั้งห้านั่นแสดงว่าสภาวะรองรับไม่มีแล้วแก้ไขเวทน า, ย, านยังไม่เป็นแก้ไขตรลักษณ์ยังไม่เป็นมันก็ไปหลุดเข้าไปเป็นนามรูป ก, ก็เป็นนิวรณ์ตัวต่างๆง่งบางเงาบางเบือ่อบางเซ็งบางฟุง้งซ่านบางมันก็หยาบไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องรู้เออสภาวะเราไม่มีรองรับเราก็ต้องมากระตุน้นกระตุ้นกําลังของสติ สัมปชัญญะกำลังกับกระตุ้นกำลังของสมาธิและปัญญาให้ชัดขึ้นโดยการปารุกความเพียรต่อเนื่องขึ้นแก้ไขบ่อยขึ้นมีความเพียรพยายามบ่อยขึ้นมีศรัทธามากขึ้นอย่างนี้มันก็พัฒนาไปได้แต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรที่จะแก้ไขมันก็จะเป็นอยู่งั้นทั้งปีทั้งชาติแก้ไม่ตกเราจะไปบอกเราก็เขาก็เลยสมมุติว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอาบัติเป็นอะไรก็ว่าไปตามสมมติของเขาละ แต่ความจริงก็คือเราไม่มีศรัทธาและความเพียรที่แท้จริงนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราจะไปหมู่เมย์เอาไม่ได้เราจะต้องดูที่ไปที่มาของมันแต่ถ้าจะว่าตามสมมุติตามภาษาที่ว่าตามภาษามันเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะยกมาก็ฟังไปได้แต่มันไม่รู้เรื่องอย่างที่เขาพูดถึงหลักปริยัติกันนะแม้แต่ผู้เรียนเองก็ยังไม่รู้เรื่องในสิ่งที่ตัวเรียนนะ ก็จำได้แต่หนังสือพวกประโยคสามถึงประโยคเกยังมีกิเลสเต็มหัวอยูน่นะก็จำได้แต่ตัวหนังสือแต่ไม่เข้าถึงตัวสภาวะสิ่งนั้นมันก็เป็นอันตรายต่อมรรคผลเพราะมันไปกลายเป็นอัตตามาณทิฏฐิขวางกันก้นมรรคผลดังนั้นก็จึงอยากจะให้เราเริ่มต้นที่ถูกต้องถึงแม้จะช้าหน่อยช่างมันแต่ขอให้มันถูกต้อง การเดินทางถ้าถูกเส้นทางจะเดินชา้าเดินไวก็ถึงแต่ถ้ามันไม่ถูกเส้นทางคุณจะรีบเร่งขนาดไหนคุณก็ไปไม่ถึงเพราะไม่ใช่เส้นทางของมันนั้นค่อยศึกษาไปอย่าไปรีบเร่งอะไรแลค่อยทำไปถ้ามันรู้สึกง่วงาก็รู้ว่ามันมาจากไหนล้วก็รีบค้นขวาหาคน้คนค้นหาที่มาและต้นตอของมันทันทีเพราะเรารู้ว่าไอ้ความง่วงมาจากนา ม, มานามรูปนามรูปพัฒนา ม, มาจากอะไร เราพระธรจากเราไปเพลินในรูปนามนะแล้ในเพลินในรูปนามเพราะอะไรเพราะสติสัมยาเราไม่รู้เท่าทันในกฎของไตรลักษ์นะเราก็มาเริ่มตั้งต้นใหม่อีกไม่ต้องท้อว่าเออทำไมเปอย่างนี้แล้ววันทอนปีไปเราก็มา ต, ตั้งตั้งต้นใหม่การที่เรารีเซตหรือการปรับทิยาบทปรับท่าทีนะมันการตั้งต้นใหม่ได้เสมอในพุทธธรรมมันเป็นปัจจุบัน การตั้งต้นใหม่คือกลับมาอยู่ปัจจุบันใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราเข้าไม่เข้าใจจุดนี้ศรัทธาและความเพียรและปัญญาไม่เข้มแข็งมันก็ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ละเพราะมันก็ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรที่จะไปเริ่มต้นจะเอาอะไรไปตั้งต้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงจึงลุ่มด้วยปัญญาให้เข้าใจเมื่อปัญญาเข้าใจหลักการแล้วก็อา้าวศรัทธา ตามมาตั้งใจมั่นใจรักที่จะทําชอบที่จะแก้ไขชอบที่จะปรับแก้ชอบที่จะสอดท่งชอบที่จะศึกษาศรัทธามันเกิดมาละทีนี้ในช่วงใหม่ๆช่วงชั่วโมงต้นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าแก้ไขปรับปรุงอะไรได้ง่ายได้เร็วใช่ไหมพอเป็นชั่วโมงที่สองที่สามที่สีที่หแล้วเป็นไงเราจะพิสูจน์ว่าคนนี้มีศรัทธ า, ห, าหรือความเพียรจริงหรือไม่เขาไปดูพิสูจน์ชั่วโมงหลังๆแล้ว เพราะว่ามันมีกําลังจํากัดบางคนศรัทธากำลังแค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้ล้วความเพียรมีกําลังแค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้ละอันนี้ก็ต้องอก็ต้องยอมรับความเป็นจริงยอมรับความล่าช้ายอมรับความไม่ก้าวหน้าของตัวเองถ้าเราอยากจะให้มันเร็วขึ้นก้าวหน้าเร็วขึ้นก็ต้องมาตั้งต้นแล้วแก้ไขเรื่อยๆมันก็แก้ไขได้ไม่ใช่ว่าเออมันจะต้องอาศัยเวลาอีกนานนะไม่ใช่ อยู่ที่ว่าเราตั้งต้นไวหรือชา้ากลับมาตั้งต้นที่ไหนนะกลับมาตั้งต้นที่กดไตรลักษณ์กลับมาดูการอาการของกายอาการของกายขณะ น, นี้เป็นยังไงสบายไม่สบายเริ่มต้นใหม่ไม่สบายก็ปรับให้มันสบายมันหนักก็ปรับให้มันหายหนักไปนะ <c oughs> มันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันคันมันแสบมันนงังแล้วก็แก้ไขไปตามอาการ แก้ไขไปก็ได้ปรโยชน์จากมันเพราะแก้ไขแบบรู้เนื้อรู้ตัวขณะแก้ไขอานิจังทุกขังของรูปเนี่ยถ้าแก้ไขด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนี่กุศของแต่ลักษณ์ก็นุ่มก่อให้เป็นตัวไตรสิกขาได้ละขนาดนั้นก็ให้เกิดเป็นสติสมาธิปัญญาขึ้นเรื่อยๆตรงที่การปรับแก้ทุกครั้งอย่างรู้เนื้อรู้ตัวแต่ถ้าปรับแก้บำบัด ความทุกข์อันเกิดจากใจรักเนี่ยด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหะตรงนั้นน่ะมันเป็นสัญชาตญาณของคนทั่วไปได้ทํากันอยู่แล้วแม้แต่สัตว์มันก็ทําอยู่แล้วเราไม่เคยเห็นนกนูปูแปลกหมูม้ากาไก่นั่งนอนอยู่กับที่ได้นานก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆอยู่กับที่มันก็ทุกข์อย่างเราเหมือนกันแต่มันไม่รู้ว่ามันทุกข์มันก็ไปตามดิ้นไปตามสัญชาตญาณของมัน คนเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติมันก็ดิ่นไปตามสรรชาติยานที่เราเห็นนะดิ่นไปดีบางดิ่นไปชั่วบางดิ่นไปถูกบางดิ่นไปผิดบ้างแล้วแต่พื้นฐานทางสติปัญญาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมจะพาไปเพราะฉะนั้น <c oughs> ในสังคมภายนอกเขาพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันดีเพื่อคนจะได้บําบัดทุกข์ แก้ไขไม่ทางดีมันจะมีกุศลเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งแวดล้อมไม่ดีมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ข้างในก็ไม่ดีข้างนอกไม่ดีเมื่อคนก็ตกต่ําทําชั่วไปหาทางออกจากทุกอย่างผิดเวลาเบื่อเวลาเหงาเวลาทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะไปหาสิ่งแวดล้อมที่พาไปเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมสุ น, านาทรธรรมหรือไปพบท่านผู้รู้พบมิตรที่ดีพูดอะไรให้ฟังในทางดีมันก็ออกทางที่ดีได้ แต่พอไม่พบเงื่อนไขสิ่งเหล่านี้มันก็ไปหาใบยมุกนะหาเพื่อนที่ไม่ดีหาอะไรที่มันสนุกสนานเพลิดเพลินพอให้ลืมทุกข์ออกจากทุกข์นั่นไปได้ชั่วคราวมันก็ไหลไปทางนั้นเรื่อยๆกำเนิดของความดีความชั่วมันเกิดขึ้นเพราะจุดนีนะ้นั่นเองก็การที่เราจะต้องปลูกฝังความเข้าใจให้ถูกต้องจึงเป็นัะดับแรก มันบูรณาไปการไปหมดนะถ้าจะว่ากันให้ลึกกว่านี้เนะแต่ไม่รู้ว่าใจตามกันทันหรือเปล่าน่ะนะแค่นี้ก็ครู้สึกว่าตามกันยากแล้ยนี่ยังไม่ได้อ้างบาลีอะไรมากมายนะอ้างบาลีมากมายนะั้นงงเพราะฉะนั้นเอาส่วนเนี้ยไปไปพิจารณาดูมีอะไรงงไม่ไม่สงสัยไม่เข้าใจนะมาเริ่มต้นขยับซ้ายขยับขวาขยับหนักขยับเบอกันใหม่เริ่มต้นใหม่ หายใจลึกๆไปหายใจลึกๆตามรู้เข้าไปโอ้หายใจลึกนี่อาการมันหนักหรือมันเบาหายใจออกเอาสบายเบาหายใจเข้าไปใหม่อืมหนักอาการหนักอาการเบาเนี่ยอันไหนสบายอันไหนไม่สบายอาการไม่สบายมันเป็นอะไรสมมุติว่าทุกอาการที่หายใจออกลุม่มสมมติว่าเป็นไม่ทุกอสมมุติว่าเป็นสบาย แล้วก็ตามรู้เ ร, เริ่มต้นใหม่เอาเริ่มจากสิ่งง่ายๆไปถ้าเราไปลึกกว่านั้นมันเริ่มสับสนมันมันไม่ใช่ปัญญาเราไม่ถึงกลับมาตั้งต้นใหม่มันเด็กที่มือเขียนนึงเสือก็ไก่ถึงหอน้งองฮูกเวลาไปผิดตรงไหนมันก็มันเริ่มต้นก็ไก่ใหม่ถึงจจเลียงถูกบางทีไปถึงอทอถุงทอฐานทอนำมุนโทเล้ ไปไม่ถูกแล้วมาตั้งต้นใหม่ก็ไก่ไปใหม่ก็ไก่ข้อไข่เหมือนกับเราเรียนเลขภาษาไทยนับหนึ่งถึงสิบพอได้พอเลยสิบไปะจะบวกเลข2 0 3สบิเป็นร้อยหมืนสองหมืนแสนสองแสนเนี่ยไปจะงงเลรอใช่ไหมก็เลยเกิดมาตั้งต้นใหม่หนึ่งสองสาใหม่อันนี้ไปเรียนภ า, านรรษาอังกฤษวันทูทีโฟฟพอไปอ่าทเวนต0เตอตโฟรีันเดวเดขึ้นไปชักวู่นวายแล้วกลับมาตั้งต้น วันทูทีใหม่ลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นนามวัตถาก็เช่นเดียวกันนะลูกวัตถมันยังสับสนให้เห็นได้ขนาดนั้นนะอ่านก็ไก่ก็อาการนี่พออ่านออกพอออกไปเป็นเกติยุทชื่อเสียงชักอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยมาอ่าก็ไก่ก็อาการก็อาการพออ่านออกอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การลำดับของการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ที่เท่ากันคือสามารถเริ่มตั้งต้นใหม่ได้เสมอ นี่คือตรงนั้นเพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ตามตั้งต้นใหม่อย่าไปปล่อยให้เบอร์ให้เลอือให้หลงเอางงก็เอาคิดก็เอาหลับก็เอามันไม่ไหวนะดังนั้นมันเป็นปลายเหตุของปลายของปลายของปลายอยู่แล้วนยะทำไมไม่กลับมาตั้งต้นใหม่ล่ะมันเสียหายตรงไหนมันมันไม่เสียหายอะไรแต่ทำไมไม่ตั้งต้นใหม่ล่ะแล้วก็ เ, เป็นวิบากกรรมชั่งมาได้ขอ ไอ้บางครั้งเราหม อ, มอหลวงมันขีเกียจไปแก้มันโดยบ่อยนะเป็นมีบาทกงเพรมมาะฉะนั้นเองก็มันเป็นเรื่องที่แพริติริยามากเลยคาสอนพุทธเจ้าใช่ไหมมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นโกฎเป็นเกณฑ์เป็นมันยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางนางมธรรมะนั่นเองก็นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พยายามที่จะจำห้องแล็บพิสูจน์เรื่องเหล่าเนี้ยแต่ไปไม่รอดเพราะอะไร เพราะเขาไม่มีสภาวะและสภาวะที่เป็นปรามัิเนี่ยดันั้นไม่สามารถจะสร้างอะไรขึ้นไปจำลองมันด้วยมีอย่างเดียวที่ทำได้อุปมาอุปมาอุปมาให้เห็นเท่านั้นแหละสมมติว่าเอามาก็ชิมรสพริกโยมก็ชิมรสพริกเนี่ยก็รู้กันนะว่ารสพริกเป็นยังไงใช่ไหม แต่มาชิมรถพริกแต่โยมไม่ได้ชิมมาก็พยายามอธิบายรถพริกให้โยมฟังอธิบายเท่าไร่เท่าไหรจะให้โยมเห็ดร้อนอย่างที่มาร้อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้อธิบายให้มันท่วมโลกนี่มันก็โยมก็รู้สึกไม่ได้เลยไอ้รสเผ็ดไปยังไงจะนึกถึงอุบมาอะไรมันก็ไม่ออกนะันเนี่ยภาวะเป็นปรมัตดจนกว่าเราจะชิมเองไม่ต้องอธิบายไม่แต่คําเดียวเข้าใจตรงกันเป๊ะเลยนะว่ารสพริกเป็นยังไงไม่ต้องอธิบายเลยนะ เนี่ยเพราสภาวะประมัติตเป็นอย่างนั้นฉะ น, นั้นเองเรายกจะเข้าใจที่ว่าธรรมะแท้เป็นสิ่งเดียวกันความหนักขาวของอาตมากับความหนักขาวของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันมไหมไม่ได้ต่างอาตมาอยู่ในกาศร้อนพระพุทธเจ้าอยู่ในกาศร้อนโยมอยู่ในอากาศเย็นพุทธเจ้าอในอากาศเย็นถามคนรู้สึกอันเดียวกันเป๊ะเลยแต่ทางกายนะแต่ท่าทีของจิตที่มีต่ออาการ ทุกอาการหนาวอาการร้อนต่างกันถ้าผุุ้ชนหมายเพราะว่าอาการหนาวอาการร้อนมันทะลุทั้งกายทั้งจิตเลยแต่อาการของพระอริยเจ้ามันทะลุแต่กายมันไม่ถึงจิตนี่มีอาการทางนะมันจะต่างกันตรงนั้นหมายถึงว่าท่านเจ็บท่านแสบท่านร้อนท่านหนาวแตกรูปแต่นามไม่ได้เกิดความชอบไม่ชอบไปด้วยนามก็ยังเฉยเฉยนี่ความต่าง นักปฏิบัติเช่นเดียวกันบางครั้งอากาศร้อนบางคนรู้สึกกวนกระวายสีหน้าท่าทางไม่ดีเลยทั้งหมดคนยังยิ้มเฉยอยู่เลยหน้าอากาศบรรยากาศเดียวกันนะใช่ไหมบางคนยังทําอะไรหละาเรื่องเบิก บ, บานเหมือนเดิมบางคนหน้านิวขี้กียหมดหน้ายุ่งไปหมดนี่หมายความว่าไอ้คนนั้นมันดนทั้งสองดอกเลยนะ ลูกสอนดอกเดียวนั้นมันทะลุทั้งกายทั้งจิตเลยแต่คนมันทะลุกายอย่างเดียวแต่จิตไม่เข้าเข้าไปถึงเดี๋ยว่าแต่พระอรหันเลยใช่ไหมแม้แต่ผู้ดูชนคนธรรมดาก็ยังทําเป็นน่ะเห็นใช่ไหมคนทํางานตากแดดตากฝนกลางๆกลางๆสนุกสนานเฮฮาแต่คนโอ้โหบ่นจะไปลมไปแรงตายให้ได้แค่เนี้ยมันก็เห็นแล้วว่าสภาวะจิตเดิมแท้ๆเนี่ยมันมีอยู่ใน ทุกคนแม้กระทั่งผูู้ชมมันก็มีแต่ว่าคนคนนั้นจะร่าเริงเบิกบานในทํากรางความทุกข์อย่ตลอดไปไหมไม่ตลอดวันนั้นมาทําได้อย่างนั้นเพราะมันกินเมากัญชามันกินยาว่าที่มันเป็นอย่างนั้นได้มันทํางานได้ทั้งวันคนก็เลยติดยาว่ากันเยอะไงทุกวันเพราะมันมันทิ้งไม่ได้เพราะคนทํางานหนักหาเงินหนักมันทุกข์แล้วมันไม่ออกจากทุกข์ไม่ได้มันก็ออกชั่วคราวกันะเอา ยาบ้ายามายาขยายเฮโรอีนมาบำบัดไปอย่างอ่อนๆก็เอาเล่ากันช้าแกท่อมว่ากันไปนี่คือบำบัดทุกทางของคนไม่รู้ของปุถุชนอะก็บำบัดกันแบบนั้นแต่เราเป็นนักปฏิบัติเราน่าจะมีศักดิ์ศีทาทีที่ใหเกี่ยวข้องในเวทนาต่างๆได้ดีกว่านั้นนะ่ะนะเพราะฉะนั้นทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายมากๆ นะแต่ว่าในร้อยการเคลื่อนไหวนะี่ถ้าเราใส่ใจมันสัก25การเคลื่อนไหวนี่ามาว่าเปอร์เซ็นต์มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะนะถ้าร้อยทั้งร้อยเนี่ยรูดหมดนี่นะ ม, นมันฟีหมดในหนาะหูมันจะต้องท่องเที่ยวอีกนานนะในวัตาสงสารนี่แต่เราเริ่มขยับขึ้นไปเรื่อยๆร้อยนะหอนึ่งให้รู้ตอนแรกรู้แค่ห้าแค่1ิบ ฝึกรู้ไปเรื่อยๆเป็นยี่สิบสามสิบแต่ว่าถ้านับเป็นผลในระดับพระโสดาบันถ้าสมมุติว่าในร้อยหนึ่งเราตามรู้ได้ถึงยี่สิบห้าครั้งแต่เมื่อใดเราเราหลุดลุยนะต่ำลงมาก็ให้ติดอยู่ที่ขั้นยี่สิบห้านี่เป็นพระโสดาบันแต่เป็นผู้ดูชนหนึ่งบางครั้งมันตั้งใจนะร้อยเนี่รู้ทั้งร้อยเลยนะแต่พอหลุดลงมามันเหลือศูนย์มันไม่ค้างเลยอะ่ะตกมาปุ๊บถึงดินเลยนะ แต่ถ้าเป็นพระอาจาสมมติบางครั้งท่านถึงร้อยเวลามีอะไรเหตุปัจจัยต้องให้ดบดบยงปฏิจจติอยู่แค่นั้น อ, อย่างพระโสะดาบันก็ดอกมันทุกที่ขั้นที่ยี่สิบห้าแล้วอย่างรู้ตัวอีกยี่้าเปอร์เซ็นตะไม่ไม่หลุดเขาเรียกว่าไม่หมดเนื้อหมดตัวยังมีสต็อกอยู่พ่อเขมเขียนท่าใช้บ่อยแล้วคนนี้เอออย่าหมดเนื้อหมดตัวเออท่าใช้บ่อยมากแล้วคนนี้นะ อ, อ, อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าให้มันหมดเนื้อหมดตัวเหลือไว้บ้าง เรามีเงินน่อยใช่ไหมไปเล่นการพนันอย่างน้อ ย, ยร้อยหนึ่งมันเสียไปเจสิบห้าบาทยี่้าบาทยังมีโอกาสยั่ไว้อะไรได้อยู่อันนี้หมดเลยขอยืมอีกสักร้อย็แล้วกันนะเลื่อมเลยใช่ ไ, ไอ้เราก็เหมือนกันเลื่มไปยืมคนอื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราทีนี้ในครอบครัวใช่ไหมคนไหนที่มีปัญหาทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันติดลบแล้วนะ่ะแต่คนที่อยู่ใกล้ก็ไม่รู้ว่ามันติดโรคแทนที่เราจะเติมให้มันใช่ถ้าเราก็เอาของมันออกมาหมดมันรือเอาของเราไป ปัญหาในครอบครัวก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าในครอบครัวคนหนึ่งที่มันไม่มีสตินะ่ะมันก็เริ่มขาดละขาดมันก็เริ่มไปหยิบยืมของคนอื่นหยิบ ย, มยืมทางอารมณ์ทางประมัตนี่มองไม่เห็นนะเพียงแต่ว่าเขาคุณไม่ดีกับเราแสดงว่าติดลบแล้วนะ่ะใช่ไหมอ้าวเพรามันมันขาดแค่แสดงอาการฟึดฟัดใส่เราแค่นี้มันก็ติดลบละแต่ไม่รู้ เราก็ไม่รู้จะเติมให้มันยังไงเหมือนกันเพราะมันมันไม่รู้ปรมัตยด้วยกันแต่คนทําไม่รู้มึงฟึดฟัดมากูบอกก็ติดล่มเหมือนกันก็ฟึดฟัดใจต่ออีกนะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือที่ทุกข์เพราะขาดสติสมญาโดยแท้ดังนั้นการฝึกของเราก็เพื่อที่จะให้มันค้างอยู่บ้างไม่ได้ถึงว่าพอมันได้อารมณ์เป็นเออร้อยครั้งก็รู้ได้ร้อยครั้งพออารมณ์มันหมดอารมณ์มาละร้อยครั้งเหลือศูนครั้งเงี้ย โอ้โหมันหมดรูปจริงๆไม่มีเหลือดังนั้นการปฏิบัติของเราขอให้มันค้างอยู่บ้างเหลืออยู่บ้างติดอยู่บ้างนะอย่างน้อยก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นก็ยังดีคืออะไรเกิดขึ้นไม่ถึงก็แสดงอาการไว้ทั้งหมดอาการทางกายสามสิเอร์ซอาการทางวาจาสี่สิบเปอร์ซนตอาการทางจิตอีกเอาให้ต่ำก็แล้วกันอาการทางกาย 20อาการทางวาจาามสอร์เซอาการทางจิตห้าเป็นต์เร้อยเซเพราะฉะนั้นมันจึงล้นอาการทางจิตจิตรับไม่ได้มันเริ่มมีอาการระหว่างเวลาเราไม่พอใจขึ้นมาสิ่งแรกที่เราเห็นชัดว่าเราไม่พอใจเนี่ยเราแสดงออกมาทางไหนก่อนแล้วแต่คนเนาะไอ้คนที่มันบางคนก็บุญออกมาก่อนใช่ไหม กรบปวดกระแผนแต่บางคนเริ่มสีหน้าท่าทางใช่ไหมบางคนสีหน้าอย่างดีอยูน่นะแต่พูดเฉือนคมหน้าดูเลยวบางั้นเถอะใช่ไหมเอออันนี้ทางทางนอกเนี่ยสังเกตยากอ่าบางคนพูดนี่ดีนะแต่หน้าบอกบุญไม่รับใช่ไหมแสดงทางอาการทางกายก่อนแล้วก็ทางวาจาบางคนไม่พูดอะไรหน้าบึ้งตึงตลอดเวลา แต่พูดออกมาทีแล้วเป็นไฟเลยอ่ะอั่นี้ละนั่นแหละอาการนั่นมายความมันล้นมาจากข้างในแล้วเต็มที่แล้วข้างในอ่ะดังนั้นอันนั้นอาการของปุถุชนทั้งหลายเป็นอย่างนั้น น, นถ้าเราอยู่ในถ้ากลางคนอารมณ์เหล่านี้แล้วก็ติดลบนะเพราะเขาจะต้องเราจะต้องแบ่งบุญออกไปเยอะเลยถ้าเราไม่มีมากพอนะเราอยู่ในถ้ากลางคนมิใชาได้ทีเนี่ยเราก็เดือดร้อนเพราะเราจะต้องควัว ก, กระเป๋าเราไปเติมเต็มให้เขาอะเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักที เอาใจมันเท่าไหร่มันก็ยังยังอารมณ์เสียอยอะนั่นแหละเอาใจวันนี้ดีสักพักหนึ่งเดี๋ยวอารมณ์เสียใหม่เราก็ไปเอาใจมันใหม่ไปปลอมมันใหม่แล้วก็เสียรงวัดไปเรื่อยเหมือนก็เลยจ่ายไปเรื่อยลงทุนให้มันมันไม่มันเอาไปใช้หมดเลยมันไม่ไปลงทุนเลยแทนที่มันจะได้สํานึกแล้วก็ปรับเนื้อปรับตัวนั่นแสดงว่ามันเอาไปลงทุนช่วยเราล่ะดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนทวงเราให้ช้า เพราะนั้นทำไมเราไม่ปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านทั้งๆ ท, ที่สบายเพราะว่ามันมีตัวหานเยอะได้มาเท่าไหร่มันหานออกไปหมดเลยไม่เหลือมาที่นี่มีแต่ตัวบวกใช่ไหมคนนั้นห้าคนนี้สิบไอ้เราก็โอ้โหพกเต็มกระเป๋าไปกลับบ้านทุกคนนั้นขอคนนี้ขอไม่กี่วันอารมณ์เสียแล้วเพราะไอ้คนนั้นมันขอไปเยอะเกินไปมันเป็นรูปธรรมมากๆเลยนะถ้าดูดีๆนะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงพยายามเลือกสิ่งแวดล้อมที่เอื้องไง เพื่อจะไม่ขาดทุนเพื่อไจะไปถูกยืมถ้าเราเป็นเขารู้ว่าเรามีเงินไปไงไอ้คนนั้นก็หยิบไอ้คนนี้ก็ยืมไอ้คน p, คนั้นก็จะจ้องที่จะเอาแต่ถ้าไปอยู่ในท่ามกลางคนมีเงินด้วยกันไปไงมันก็ชวนกันไปลงทุนชวนกันหากําไรใช่ไหมไปอยู่ในท่ามกลางคนก็ชนไอ้คนนั้นก็ขาดคนนี้ก็ไม่มีเอาคนนั้นห้าคน 10, านี้สิบอันนี้ที่สุดเราก็ชักแย่มันละทีเนี้ถูกยืมบ่อยๆอารมณ์เราก็เหมือนกันนะมัวที่จะไปเอาใจคนนี้มัวทจะไปปลอบคนนี้มัวที่จะไป โอ้เฮ้เราก็ชักหมดละนี่เนะี่ยเนี่ยมันเป็นรูปธรรมแต่เราพ้องไม่เห็นเรามูรณาการไม่เป็นเราก็หลบเรียกไม่เป็นแต่เรารู้ว่าเออเราไปปฏิบัติใหม่ใม่ไปเจอคนในครัวยิ้มแย้ ม, แ, ยมแจม่มใสพูดดีอนุโมทนาสาธุเออเราก็รู้สึกว่าตัางเราก็อยู่ในกระเป๋าเราก็แบ่งให้เขาได้แล้วแบ่งเขาแบ่งไปเขาก็แบ่งมาแบ่งไปเขาเอาคืนมา หมายความเขาก็คืนเกธตนาดียิ้มให้เราพูดยกย่องหรือว่าพูดชมเชยกันให้กำลังใจกันนี่แสดงว่าเขาก็มีเงินแล้วก็แบ่งกันไปแบ่งกันมาอย่างนี้มันก็อยู่สบายนะดังนั้นถ้าหากว่าเราปรับตัวปัจจุบันของเรานี่ ให้ชัดเจนแล้วเราจะเห็นว่าอารมณ์ของเราไปอยู่ที่ไหนในสิ่งแวดล้อมที่มีเราจะเลี่ยงเป็นเรารู้ว่าอยู่กับไอ้พวกนี้นานเดี๋ยวกูมหมดตัวบนวเนื้อบดตัวแน่ก็ต้องเลี่ยงไปแต่าบางแห่งมันเลี่ยงไม่ได้จําเป็นจําใจต้องอยู่เป็นอะไรเป็นวิบากกรรมที่เราสร้างมาเองไอ้คนนี้เราไม่ชอบนัดจำเป็นต้องอยู่กับมันนะ <c oughs> เป็นวิบากกรรมนะใช่ไหมอันนี้หมายถึงภายนอกนะ แต่ถ้าภายในหมายถึงอารมณ์ของเราที่ใกล้ตัวมาบ้างในอาการสามสิบสองของเราก็ดีในยตณนหกก็ดีในท่าสี่ก็ดีในขันห้าก็ดีในรูปนามก็ดีเนี่ยมันก็เหมือนมิดบริวารที่อยู่รอบๆตัวเรานะทีนี้ในตัวใดตัวหนึ่งมันมีปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปรับรู้ละ มันกับเพื่อนบ้านเราส2คนบางหคนบางต า, ตามตามรูปของอยายตนะธาตุขันอยนายตนะนี่ก็เหมือนบริวารเพื่อนบ้านเราดีๆนี่เองะสมมุติว่าจิตเป็นเจ้าของบ้านนี่นะมันต้องอาศัยพวกเนี้ดำรงอยู่นี่เจ้าของบ้านก็ต้องบริหารไอ้คนไหนขาดแขนจิตก็ต้องคอยไปเติมวันนี้ปวดหลังไ อ, ไอตัวนี้มีปัญหาละเฮ้อันนี้อู้ จีบตาคันตาตาคันต้องหายายใส่ไอ้ น, นี่มีปัญหาแล้วต้องไปเอาใจใส่มันสติสัมยาเราก็ต้องใช้ใจไปตรงนั้นอ่ะเยอะส่วนอื่นชักนึกไม่ถึงล ะ, อ, ะอู้วันนี้ปวดหัวอย่างเงี้ยนะ่ะเวียนหัวคุณจะยามาหรือเล่ะคุณทิจ่ฮะพักอยู่นะไอ้ข่าวว่าหัวหมุนนะเมื่อคนะืนน่ะ <laughs> บอกไหวให้ไม่ฉีบไปแก้ให้ไปดูแก้ได้หรือเปล่าก็บอกไปฉีไป ย, ยังไม่ได้ไปตามก็ยังไม่ได้ไตามอาการนะ ไ, ไปตามถูกอาการนะบางทีเพื่อเป็นอาการของอาการเก่ า, าการวิบัติเพราะฉะนั้นมันใช่บางอย่างก็ไม่ใช่เกิดจากภาวะปฏิบัติทำไมเพราะอาการทางกายมันมีอยู่แล้วแต่เหตุปัจจัยมันยังไม่พอที่จะเป็นเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็เป็นนดังนั้นเวลาเราปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นก็ตามกลับมาตั้งต้นณปัจจุบัน จะไปสับส น, นเรื่องเหล่านั้นถ้าที่เราไปแล้วรู้สึกสับ ส, บสน ง, งุนงงสแสดงเออภูมิธรรมปัญญาะอะไยังไม่ถึงเราก็ไม่จําเป็นต้องเอากลับมาทาั้งต้นใหม่นะตัง้งต้นใหม่บ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขามันชักชำนาน <c oughs> ชํานานนะดึงจิตมาอยู่ณปัจจุบันดึงจิตมาอยู่บัณฑ์จนชํานานเมื่อไหร่จิตปัจจุบันจนชำนา น, เ, า น, น, น, านเขาเรียกปัจจุบันปัจจุปนังสยานเกิดขึ้นละคือยานรู้ณนะปัจจุบันนะ คำว่ายานเนี่ยหมายถึงความชํานิชํานานนะเอามาใช้ภาษาทางโลกว่าชํานาญชํานิชนํานานเอามาใช้ภาษาทางธรรมด้วยทา ง, ท ง, ทงจิตว่ายานนะว่าอันนี้มันชํานานส้มรถดีทุกครั้งเลยไอ้คนนี้เอารถไปหาเมื่อไหรกลับมาดีทุกครั้งเลยนี่คือเรื่อมันชำนานเดี๋วช่างพวกช่างทั้งหลายเราเรียกพวกที่ชํานานในเรื่องนั้นว่าช่าง มาจากคำว่าชนานาญเขาก็มาจากคาว่ายานคนนั้นมันมียานทางด้านวัตถุทนั้นเรื่องนั้นๆเขาเรียกว่ามันช่างนะแต่ถ้าหากว่าคนชํานาญทางด้านโลกุตตะละทางสภาวธรรมเนี่ยเข า, เ, า arn, เรียกว่ายานหรืออริยะเป็นยานปัญญาท่านก็สมมุติว่าถ้าชํานาญในเรื่องปัจจุบันนะอะไรเกิดขึ้นกลับมาอยู่พยมได้อย่างปัจจุบันทันทีเลยนั้นเขาเรียกว่าเป็นปัจจุปนงังสยาน เป็นคุณธรรมเบื้องต้นของพระอรันนี้บุคคลชั้นโสดาบันพระโสดาบันจ ะ, จะกลับมาอยู่ปัจจุบันได้เร็วกว่าคนปกติเพราะท่านเห็นความสําคัญท่านตอกย้ยําอย่างนี้นัแหละแต่คนที่ยังไม่แน่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างเพราะยังไม่ชํานาญบางครั้งง่ายๆก็ซ่อมได้ยากๆก็ซ่อมไม่ได้อย่างเงี้ย อย่าเยียมอไ่ยังไม่ชํานาญแต่ถ้ามันชํานาญหมายความไม่รู้ยี่ห้อไหนมาฉันซ่อมได้ทั้งนั้นนี่หมายความว่าถ้าเป็นคนที่ชํานาญเรื่องปัจจุบันไม่รู้อารมณ์ไหนมาฉันรับได้ทั้งนั้นแต่หนักกว่านี้ฉันรับไม่ได้นะเพราะไม่ใช่ขั้นตอนของฉันของฉันคนที่รับขนาดนี้ต้องเป็นพระสกิทาคามีอ่าพระสกิทาคามีก็ชํานาญไปพระโสดาบันชํานาญอยู่สามเรื่องหนึ่งชำนาญในการละตัวตนเรว่างักยิยาทิฏฐิ สองชำนาญในเรื่องของการไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใครจะพูดให้วันไหวอะไรเบ็นเรื่องทางทฤษฎีอื่นไม่ไม่วันไหวเลยเพราะชํานาญในการรู้เพราะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในความหมายของพระสงฆ์ไม่ได้ไหมายถึงพุทธประสงที่เป็นสมมุตินะแต่พุทธพาพระสงฆ์ที่เป็นปรมัตยคืออะไรรู้ตื่นเบิกบานท่านเชื่อมั่นในความรู้ตื่นเบิกบานอย่างไม่วันไหว นี่คุณสมบัติอันที่สองคุณสมบัติอันที่สาของพระโสดา บ, บันคือไม่ติดีใครจะมาชื่นมาชมก็จะมาตีมาดา่าฉันก็ยิ้มได้แต่บางคนที่ยังเป็นพระโสดาบันยังไม่เต็มร้อยเป็นโสดาปฏิมาค์อยู่ก็บางครั้งฉันก็ยิ้มได้พระก็ยิ้มไม่ออกเหมือนกัน <laughs> เรื่องบางเรื่องก็ยิ้มไม่ออกบางเรื่องก็ยิ้มออกเหมือนกันบางเรื่องเขาับได้บางเรื่องฉันก็ยังรับไม่ได้ นี่ก็จะเป็นโซดาปฏิมาหน่อยเพราะฉะนั้นชำนาญหลักๆสมเรื่องนี้ทางด้งนดีราคาโทสศัมืห้อย่างเหมือนเดิมนะยังยังยั ง, ยงาไม่ได้นะคุณโซดาวันนะราคาโทรศัมห้าเหมือนเดิมแต่สามเรื่องนี้ท่านชํานาญชํานาญในการไม่ถือเนื้อที่ตัวชํานาญในการที่จะเลืลึกถึงคุณพุทธุันธสุ์ได้เอามาใช้ได้ตลอดอารมณ์ไม่เสีย ง, ง่ายแล้วก็ชํานาญในการที่จะให้มาชุมมาดามาว่ามาอะไรพอดีพอไรนี่ก็พอทนได้ แต่ถ้าหนักไปคนนี้ฉันก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะฉันก็ร้องไห้เป็นเหมือนกันนะเพราะยังมีโทรศัอยู่นี่ก็ตามนั่นว่าถ้าเมื่อไหร่ทั้งคุณธรรมสามอย่างครบก็เราโซดาปฏิพลดถ้าหากสามอย่างนี้อันนี้ชํานาญกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะเรื่องถือนี้ถือตรวชนานาญกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องระลึกรู้ทำจิตให้ตื่นรู้ อ, อกบาลได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนเนี้เรื่องอาการ จิตอวดดื้อถือดีนติดในเรื่องพิธีรีตองติดในเรื่องสมมุติทั้งหลายเนี่ยะละได้กี่เปอร์เซ็นล้วต่ก็เป็นปเปอร์เซ็นเหมือนกันเนาะอันนี้ว่ากันนำความเป็นจริงนะไม่ได้ว่าโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีอะไรที่มันเป็นได้โดยเด็ดขาดมันค่อยๆเป็นค่อยไปทั้งนั้นแหละส่วนเราจะประคับประคองเราจะเพียรอะไรได้มากแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่สรัทธาและความเพียรเพราะนั่นอย่าลืมว่าทุกอย่างตั้งต้นที่สรัทธาและความเพียรสรัทธาและความเพียรเป็นตัวงานของสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนั้นบคุคคลระดับพระโสดาขึ้นไปเนี่ยจะมีส ม, มาธิที่เป็นเกณฑ์เป็นตัววัดศรัทธาและความเพียรเป็นตัวช่วยเสริมเพราะฉะนั้นท่านจึงรับรองว่าพระโสดาบันขึ้นไปนี่ไม่ตกนรกละเพราะท่านมีส ม, มาธิที่ตั้งมั่นและศรัทธาความเพียรไม่ขาดสายเรื่อยๆมากบางน้อยบางตามตามเหตุจําเป็นนะเพราะนั้น การฝึกก็เรื่องไปจากอย่างเนี้ยอย่างที่ว่าจะทำไงให้เราระลึกปัจจุบันได้ชํานิชานาญมากขึ้นนะแต่เมื่อเราชํานาญในปัจจุบันแล้วเราสามารถนําเรื่องดีๆในอดีตมาใช้ได้อดีตบทเรียนชีวิตที่ผ่านมานํามาใช้มาแก้ไขตนเองได้ว่าเราเคยผิดพลาดเรื่องนั้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ผิดพลาดแล้วนะเราเคยทําสิ่งนั้นดีๆมาแล้วก็ดึงเรื่องดีๆในอดีตที่เคยทํามาใช้เป็น การทำนิทำนาญในการใช้อดีตให้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงชีวิตท่านเรียกว่าอาดีตต่างสยานแต่ถ้าระลึกถึงอดีตโดยที่ไม่นำประโยชน์อะไรมันมาใช้นะระลึกถึงหลบหลุมเล้งแรงฟุงฟ้งฟุ้งฝันฝันไปตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสังขารนะเป็นสังขารไม่ใช่เป็ น, นเป็นยานล้ถ้าร ะ, ะลึกเอาส่วนที่ดีมาใช้เป็นประโยชน์พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสริมให้ตัวปัจจุบันธรรมของเราได้สูงขึ้นตรงนั้นอดีต กลายเป็นอตีตังสยานอ่มันจะเป็นยาหรือเป็นสังขารก็รู้ก็ตรงนั้นนะอ่วนใหญ่เรานึกในานามของสังขารใช่ไหมเอามานึกทั้งๆที่ไม่จำเป็นเนี่ยเรื่องรุง่มๆแรงๆฟุ้งๆฝันๆไปเออคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีทั้งที่ไม่มีประโยชน์ไม่รู้เลยเอามาคิดไอ้ทาไมเออได้แล้ามานันมีประโยชน์โอคนนั้นทําอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราเป็นเราจะไม่ทําแบบนั้นนะแต่คนนั้นพูดอย่างนั้นนะเราจะไม่พูดแบบนั้นเพราะอะไร เขาพูดเรายังไม่ชอบเลยเพราะฉนั้นเราพูดเองคนอื่นก็คงไม่ชอบเหมือนกันเอามาเลือกใครคนเอามาใช้แบบนี้เรียกเป็นยานปัญญานะทีนี้บางเรื่องในอนาคตเนี่ยเราจําเป็นต้องวางแผนว่าเออพรุ่งนี้จะเอาอยัางไงจะทำไงใ ห, ให้มันดีจะทำไงให้มันถูกจะทให้ยังไงให้เรามีความอก้าวหน้าวางแผนนะวันนี้นจะไปเก็บอารมณ์เราจะทำไงให้ง่วงมันไม่เข้าเลยเนะี่ย วางแผนไปแต่ตดนลักษณะนี้ก็แล้วมีอนาคตต่างสยา น, นน้อยๆละ่ะมันเป็นกาวางแผนที่ดีๆให้กับตัวเองเพราะนั้นไปคิดถึงอดีตอนาคตในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เขาเรียกนะวฟุ้งซ่านนะเพราะนั้นก็ถึงบอกว่าอย่าคํานึงถึงอดีตจะคิดถึงอนาคตก็เพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์ในลักษณะของความเอาไปคิดแบบสังขารแต่ถ้าเราเอามาพิจออารณามาใช้เขาเรียกว่าเป็นญาณ ปัจจุปนังสยานอติตังสยานอนาคตังสยานก็มาจากยานทั้งสามอติตังสยานก็คือปุเพนิวาสานุสติยานปัจจุปนังสยานก็คือตัวจุดดูปปัตยานอนาคตังสยานคือตัวอาศัยขยาย น, นั่นเองมาจากยานของพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามาให้เห็นภาษาที่เข้าใจง่ายกว่ายานทั้งสามเป็นภาษาที่เราเข้าใจไม่ได้นะอันนี้คือการสมมติีใช้ใช้ได้ งนั้นเราก็ต้องเริ่มใช้ไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะใช้อดีตอนาคตปัจจุบันให้เป็นแล้ตัวยานทั้ง3ที่เป็นต้นตอของยานเราก็จะเข้าเข้าถึงได้นะไม่ยากแต่เราเติมบรรไดขั้นต้มนมาเนี่ยดึงจิจปัจจุบันให้เป็นแล้วก็ถ้าจะนําเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาใช้ก็ให้นึกถึงประโยชน์ที่จะได้ จากการตัวเองดีขึ้นมีศีลดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นมีปัญญาดีขึ้นการระลึกเอาอาดีตมาใช้อนาะคตมาใช้อย่างนั้นเป็นตัวยานไม่ใช่เป็นตัวสังขารละนะไม่ใช่เป็นตัวจิตตสังขารถ้าเอามาใช้เลือ่อยเปื่อเฉยเฉาดยที่มันมีความหมายอะไรมาฟุ้งเล่นเนนะี่ยเป็นจิตแตสังขารเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์แต่มาใช้ในในัในยในนามของยานทั้งสามเป็นนิโรธทําให้ทุกข์มันดับทําให้ปัญหามันดับนะนี่รายละเอียดตรงนั้น หัง้เราจะเห็นว่าเรื่องของการปราลบความเพียรเนี่ยต้องทำเป็นกิจวัตรเลยนะทั้งนอกรูปแบบและในรูปแบบตอนไหนมีงานที่จะทำทำนอกรูปแบบตรนไหนไม่มีงานมีเวลาน้าทำในรูปแบบเราก็จะเห็นความก้าวหน้าเราจะบอกโอ้หมูนี้ฉันไม่มีเวลาเลยนะพูดถูกหรือพูดผิดพูดผิดเวลามีตลอด24ชั่วโมงเท่ากันแต่คุณจะ ตามรู้หรือไม่ตามรู้เท่านั้นเองตามรู้มีสองอย่างตามรู้ในรูปแบบเวลามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มานั่งสร้างเจ้าเดินจูกุ้เล่นไม่ไม่มีธุระอะไรสําคัญแล้วนั้นนแทนที่จะไปนั่งเมาส์นั่งคุยกันในเรื่องข่าวการบรหารการเมืองข่าวน้ํนาท่วมข่าวเป็นไปของโลกข่าวเรื่องโน้นเรื่องนี้ข่าวหนังสือพิมพ์มาวิจารณ์กันไปตามไม่มีสาระอย่าไปเสียเวลาเข้ามาชวนคุยก็ก็คุยพอเป็นกี่แยาชักพะเออ หลบไปเดินจมุ่มสร้างจังหวะเฉยเลยนะเราจะว่าอย่างไงก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเนาะเขาก็ต้องรู้จักเราว่าเราเป็นคนอย่างไรนะ <c oughs> แล้วก็เวลาปฏิบัติให้ให้ระวังเรื่องหนึ่งอย่าลืมว่าความคิดเนี่ยเป็นเป็นโดยสร้างเวลาและเวลาทำให้รอทำให้คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลามันมาจากตัวคิด ถ้าเราไม่คิดไม่ปรุงแต่งเนะี่ยเวลาไม่มีนะทัใช้คำว่าอากาลิโกอะใช่ไหมอากาลิโกนะไท e ์เนะคือไม่มีเวลาเวลาที่ไม่เป็นเวลาคือเวลาอะไรยมวิเชยน ย, อ, ยอ้อ <laughs> ไม่ใช่เวลาที่ไม่เป็นเวลาเรียกเวลาอะไร อ่าไปเลยปัจจุบันมันไม่เป็นเวลามันคือปัจจุบันถ้ามันถ้ามันเป็นเวลาก็เป็นอดีตอนาคตมันไม่ใช่ปัจจุบันละเพราะนั้นถ้าจิตอยู่ปัจจุบันมันไม่ต้องรออะไรเพราะมันมีเวลาที่จะรอเพราะมันไม่มีแต่ที่มันมีเราลืมปัจจุบันอ่ะอดีตอนาคตปรากฏเลยปัจจุบันก็เป็นนิรันดร์การขั้นนเดียเป็นอมตะไงเป็นอมตะจิตเข้าสู่ปัจจุบันคือจิตพระรหันเข้าสู่ปัจจุบันเป็นอมตะธรรม งั้นคำว่าอมาตะาจะมีได้ไงใช่ไหมพ่อ เ, พเป็นอมาตะําคือมันไม่เปลี่ยนแปลงมันอยู่เหนืออนนี้จังทุกขังหน้าตา่างปัจจุบันธรรมนะเพราะฉะนั้นให้พอกปูนะความพอใจเรื่องปัจจุบันเสมออย่าไปเบื่ออย่าไปท้อนะปัจจุบันง่ายๆริ่มต้นจากเวทนาสุขทุกสบายไม่สบายริืมต้นตรงนี้แลบริหารมันไปและลึกรู้ลําดับแล้วก็ดูละเอียดยกย้ายถ่ายเทน้ําหนัก ยกแข่งยกขาเอือมไม้เอือมมืออะไรเนี่ยมันเป็นอาการของตัวรู้ได้ทั้งหมดเลยอใช่ไหมแต่เนื่องจากเราอยู่กับความเคยชินวนนี้ไม่รู้กี่หมื่นชาติแล้วจู่ๆมันจะมารู้เอาทุกครั้งนะั้นมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้รู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างดีที่สุดก็รู้บ่อยขึ้นนะก็ดีฝ่าท่านถึงจัดลาดับของการเขาถึงทําไว้ถึงสี่ระดับไงตามกําลังอินรียกําลังปัญญาของแต่ละคนนะ ออระดับนี้นะได้ไปได้ขั้ขนนี้ละเหมือนในการเรียนรู้ทั่วไปอะ่ะมันก็อยากเป็นชั้นเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นแ่ะนะ